บอาไปเอาให้เอาไว้องค์เดียวก็แล้วกันนะใครอย่าไปเลียนแบบนะมีหนึ่งเดียวก็ดีแล้วอย่างยกทรงเป็นต้นก็ปากดีเฉพาะอยู่บ้านนะเอาละครับเป้งกราบเท้านมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง เรูกมีความข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการบธธวชชีเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าการบวชชีนี้เวลาปฏิบัติสมถะกอดีกรรมฐานก็ดีเป็นเหตุทํำให้ได้มรรคผลเป็นอรหันต์ได้ง่ายลูกชักอยากจะไปเป็นชีวัดถ่าสูงเพื่อจะได้เป็นอรหันต์เสียแล้วแต่มีคนมาพูดว่าเป็นอรหันต์ชีจะอยู่ได้วันเดียวลูกก็ว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเพราะด่านลามีไปได้ไม่เกินสิบห้าวัน ที่องเอยังไงจะเป็นอรหานแล้วจะจะปห่วงผัวอีเลยแล้วเรียกอรหานหัวผัวนะอ้าวตายตายอย่างนี้เเรียกว่ามีพรหมีหารสี่ครบ้วนอ้าวพรมอีกแล้วเนี่ยใช่สิทำไมครับก็งเบิตาความรักยังรักผัวอยู่โอ้สองกรนาความสงสารยังสงสารผัวอยู่โอ้สามามสามสามสามสนมสามสามสามสามสามามมสาามสามสามสา้าา วางเฉยยังไงก็ช oh, ่างมันมีปณิพันธ์ธาตเดียวโอ้โหยังคงมีหารสีนะใช่ใช่แต่ขอถามเพื่อให้สบายใจนิดเดียวที่ว่าครับชีที่บวชไปละหันเนี่ยกจะมีอายุยืนยาวได้ส anyway ักกี่ปีเจ้าคัะเดี๋ยวก่อนต้องถามมั่งกล้วยอะไรอ้าวไปคนละแหววเลยใช่ไมครัที่วัดท่าสงฆ์บวชกันเรื Fraser ่อยนะกล้วยหักมุกบางกล้วน้ว่าบางกล้อย อ่านี่นีนน่ไปโคนาแควแ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล้ว <laughs> <laughs> บวชชีอธิานแโกนหัวอะไร ข, า, ขาวๆคอ๋องั้นเลิศ <คำ S 2> ไม่อ ก, กอนแต่ฉ<ห>ันมันสนใจชีกล้วยครับรับครับ <laughs> <laughs> จริงๆ <laughs> แล้วพว่าถ้าเป็นบุบานิกาชีเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วจะอยู่ได้มันเดียวโอ้โหหุยงั้นจะบวชดีกว่าเป็นแล้วก็ไปเลยไม่ได้เรื่องยังไม่ตาสามีอยู่เลยจ้ะครครับครับ อ่าโอ้ตกลงได้แค่วันเดียวเองะความจริงถ้าแค่เป็นนาคามียเขาก็ไม่กลับบ้านแล้วนะโอ้มันหมดความรู้สึกทางเพศอนาคามีเนี่ยหละครับใช่ใช่อ้แนต่ไปยังคาคาอยู่อย่างนีพผ่านไม่ได้ครัอเพราะถึงกระหันก็ไปเลยครับครครับแต่ความจริงคนหรือพระเนี่ยถ้าปฏิบัติถึงนาคามีแล้วไม่มีใครอยากจะเกิดนะโอ้โห เขาเห็นทุกแล้วแล้วเห็นสู่ข้างหน้าแล้วครับครับเออพูดถึงหน้าพระนาค า, ามีนั่นแหะทีหลงุงพ่อกําลังจะมีเรื่องเล่าพอดีวันเสารนี้มีเจอพระอนาคามีพีนาคามีอ๋อพี่โอ้โหมีทั้งพระทั้งผีเลยนะนี่ไงผีพระผีพร ะ, พพระ อ, า อ, าอา้าว ค, ค, ครับกลับเรื่องไป็นยังไงกับหลวงพ่อครับแล้เจ้าหน้าจังหวัดอุทัยธานีท่ามรณภาพแล้วก็ตายด้วยเสียโอ๋อองค์ที่แก่ๆแล้วตายแล้วหรอครับยังไม่ตายมรณะภาพ น, นี่ขนาดป่วยๆ น, นี่นะ <c oughs> <hearing S 1> ยังมีอารมณ์นะ <c oughs> ไม่ป่วยมากวันนี้โอ้ โ, อโอหเจ้าประจวดตายแล้วออน่าสะใจ น, นะเรื่องอย่างนี้น ะ, ะครับเรื่องเรื่องครับเป็นไงฮะท่านเป็นพระดีมากป่วยๆยใช้ได้ครับครับเป็นพระดีมากเพราะอะไรไหมครับเมื่อปีสามศูนย ท, ท่านนั่งท่ายยตายแล้วนะอป่วยหนักครับก็เรียกเจ้าหน้าเพื่อเข้าไปสั่งด้วยวาจาด้วยบันทึกเสียงด้วยให้เขียนด้วยเสร็จ ซึ่งเงินทองประเภศไหนประเภศไหนใช่ไหมโอ้แล้วก็บอกว่าถ้าฉันจะตายนะฉันต้องตายก่อนสองยาโอ้ถ้าหลังสองยาถ้าถึงสงยามไม่ตายแล้วมันก็ไม่ตาย oh. แล้วโอ้คนหลังเยอะสงยาไปแล้วดีมากเลิกตายโอ oh. มาหลังจากนั้นท่านก็ดีมีอการดีมากหลังจากฉันพีนฉันรับเรื่องเสน่หศักดแล้วใช่ไหมครับปกติไปหาแต่งออกแงกอีกแงดีมากมันคนปกติธรรมดาเลยโอ้ แล้วก็มาวันนั้นวันที่อะไรจําไม่ได้ครับไม่จํำนะนะอ่าเอาวันที่เท่านั้นเลยครับวันที่เท่านั้นแหละไม่ตายวันนั้นไม่ใช่มีอาการจะตายนะเพอดีเจ้าหน้าอําเภอก็ไปสวดไปเป็นอุชาบทนาบใช่ไหมครับครับท่านอยู่ที่นี่ท่านชอบกินหมูยะท่านแก่ขายหมูก็บอกท่านชอบฉันหมูโอ้แล้วก็หมูถวายอาหารเป็นหมูใช่ไหมครัครับแล้วก็ชอบฉันอะไรวะทุเรียนนะแล้วมะ่วง ทำมาโมงสวายก็คุยก็สนุกสนานหลังจากฉันเสร็จก็เรียกผู้หญิงคนหนึงที่ปฏิบัติอยู่ครับครับผู้เท่าเลยนะ<อ>ก็เรียมาถามอานีนว้ยไปหยิบปฏินร้อปีมาทีว่าเขาไปหยิบไปดูก็ไหลพอซอก็ใช<อ>้นยุติเท่าไรตำรวจเขาบอกเก้าสิบห้าปีนะเจ้าค่ะก็อ้เก้าสิบห้าปีน้วข้าอยากจะตายมันก็ไม่<อ>ใจว่ขขาท่านเลยเลียกธคลนาคาทเงานมาตรวบัญชีครับ พอตรวจเสร็จเรียบร้อย แ, แล้วปรากฏนอนตอนเพลนไม่กินข้าวแล้วม่องอตีโหตายก่อนตอนตายจังหวะก่อนเพลินนะใช่เสียท่ากินข้าวเพลิน้งก่อนนอจะไปหิวเย็นเ่ยนะมา ไ, ไม่รู้จักหลักเนี่ยอันนี้พอตอนสายฉันได้ข่าวใช่ไหมรพระรามเออโทรศัพท์ไม่ทราบนี่ตอนบ่ายตอนรับแขก บ, บ่ายโมงครึ่งเสร็จกาลัางรับแขกอยู่เห็นท่านมายืนรอยอยู่ข้างหน้าถามว่าหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนแล้วไปอยู่อนาคามี ถ้าถามว่าเวลาจะตายมีลงข้องใจไหมก็บอกว่ามีลงข้องใจนิดหน่อยเรื่องการเงิน เ, <อ>เรื่องเงินของท่านมันหายไปจกากบัญชีก็มีนิดห น, <อ>น่อยไม่ใช่ที่ได้ถามว่าทำไมถ้ไม่ไปนิพพานเลยมันใต้เดี๋ยวดเดียวนีตอนนั้นท่านบอกว่ามันมีจิตกุ่นวานิดหน่อยเรื่องการเงินนิด<อ>น้อยสะดุดนี่อย่างเรียกงพระอนาคา ม, มีทีอนาคามีามาเป็นผีในตอนที่ยังไม่เป็นผีนะไม่บอกว่าเป็นอนาคามี โอ้อหอ๋อเป็นเป็นป น, นาคามีก่อนอก่อนตายมานานแล้วเนาะน่ากูจะไหลบันรุ่ผม <c oughs> ผมเห็นสนตนากาับหลงพ่อที่อะไรอะไรทุง่งสูงภูเขาอะไรเขาจะแกรงนะฮะโอ้รู้สึกโคมไคลนะฮะกรมคคลแล้วก็มี ว, วาวัฏโออแม่ได้แค่อนาคามียทั้งเองนะนี่แสดงว่าถ้ า, ถาห่วงอะไรนิดๆหน่อยนๆไปอรหันต์ได้ยา ก, กนั่นเองหลวงพ่อไม่ <c oughs> ใช่มันเป็นอารมณ์เองอารมณ์มันยันอยู่แค่นั้น เดี๋ยวเกี่ยวเรื่องการเงินของท่านไอ้คนได้เบิกเงินมันเบิกมากไปออเบิกเกินความเป็นจริงก็คือว่าอย่างนี้เป็นข้าวไหเรื่องนี้ฉันฝากบัญชีหนึ่ง<อ>ไหยเรื่องนี้ฝากบัญชีหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นคนเบิกแทนเซ็นมอบเซ็นช้างไงถ้า<อ>ต่อมามันเลยเซ็นเองอ๋อเป็นเจ้าวาดเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระบอกฆราวาดเหรอครับฆราวาดใช่ใชอ รามอย่างนี้ก็แสดงว่าใครที่มีอะไรคล้อง อ, อกคล้องใจอะไรนะไปละหันไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติพันธสัญญก็อนี้ก็ขายให้เรียบร้อยถวายวัดท่าทุงจะได้ไปพิพานไงนะ อ, อนะนี่ไม่ดีดโนะนรกไปเลยคครไม่ดีจะกินนะท<อ>ี่รุ <laughs> ่งจิตใจหมอหมอไม่จําเป็นไม่จําเป็นค แ, แต่ก็ยังโชคดีนะเป็นอนาคาเลยเขคงไปตีตัวต่อข้างบนนลยครับ เฮ้ยเราก็ไม่ลงแล้วอามีปกติไม่ลงอยู่แล้วนะไม่ลงอยู่แล้วใช่ครับแค่เลยแกล้งถามไม่จะลงไหมบอกไม่ลงแล้วเว้ยอาวมีมีอลมด้วยนะโอ้โหเราะนะระไม่ลงแล้วเว้ยโอแหมขนาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่แค่นี้ก็ยังดีโอ้โอออะอะไรไหมครับยากมาคณะคามีไม่จะเป็นง่ายๆนะเออเลิกครับลูกก็จะง่ายอย่างคือเขาว่าใครว่า ก็เขบอกว่าอนาคามีเรื่องจีบจ้อยถามว่าทํำยังไงแล้วก็โลภเต็มอัตราโมหะเต็มมัตราแล้วก็เวลาสําเร็จก็ไปอยู่กับเทวทัศน์อย่างเดิมนั่งไม่แยกนา่ขามีเอาเรียกอะไรหลวงพ่ออรหันต์นรกอรหลนตนรกครับอ่หลวงพ่อเจ้ขาสามีของลูกไม่ค่อยจะอยู่ก็ล่องกับลอยยีเล็กเกะาแบบที่แปดมงกุฎมีเพื่อนเขาแนะนําว่าให้ไปหาหมอแขก เขาสามารถจะทําผูกกิจผูกใจมีหุ่นมัดแน่นตึกเลยเจ้าค่ะอ๋อแน่นตึกเลยนะลูกเกรงว่าจะทําไปแล้วจะเกิดบาปเกิดโทษแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือลูกเกรงว่ามาโนโมยิ่งทของลูกจะเสื่อมหายดังนั้นลูกว่าพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อดีกว่าว่าวิธีที่จะผู ก, กจิตของผัวโดยธรรมะวิธีดันขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนําสักครั้งเถิดเจ้าค่ะมีอย่างเดียวอ่าแบบไหนครับหลวงพ่อครับยิ้มตอนเวลาใช้ยิ้มเหรอครับใช่ใช่ อันนี้ชนะจริงๆนะยิ้มเนี่ยนะมาเวลาไหนก็ยิ้มมาดึกมาดื่นก็ยิ้มยิ้มไม่เถอะไม่ช้าเลิกอ๋อที่ไม่ต้องไปใช้คาถากระเถืออะไรเลยนะถ้าว่าให้มันเหนื่อยอ๋อใช้ยิ้มรูปเดียวถ้าหาว่าเราว่าคาถาด่าเขามันไม่เข้ามาหรอกครับอ๋อใช่งไหมล่ะครับครับครับอันนี้จริง ๆ, ๆนะได้ผลนะครับครับจะมาดึกมาดึกนะก็ตามใจเห็นหน้าก็ยิ้ม่เลยพยายามยิ้มไว จะเ ม, มาไม้มาก็ยิ้มไม่ชอบเปลีนใจแล้วอีกแบบหิ้วเข้ามาบ้านด้วยอีกคนแล้วก็ยิมย้มไงยิ้มไงหัวใจเลยหลวงพอก <laughs> ินทังน่าไปพอเสื่อหิ้วเข้าในบ้านเองโอ้ยิ้มก็ไหวนะแสดงในบ้านไม่พอกินโอ้ย<อ> <laughs> ยอมแพ้เลยนี่ใช่ใช่ใช่ปรับปรุงเลยน ะ, นะ <laughs> พวกไม่ค่อยพอกินทั้งหลาย ถายิ้มไม่ได้เรื่อยไม่หิวเลยหิ่เขามีตัวอย่างอยู่แล้วอวก่อนใ ช, ใช้เคยแนะนําวิธีนี้มันสมัยกรุงเทพหลายคนเชนะครับผมใช้วิธียิ้มเนี่ยแหละเขาใช้วิธีเดียวเนี่ยอเห็นมาพวกปัญญาจะไปเล่าให้ฟังใี่ไหมคราบครบัรบครับว่ากินเหล้าเมายาแล้วก็ขออยาดชูบอกคุณต้องกลัดไปตั้งใจยิ้มอย่างเดียวอย่าบ่นจะไปเวลาไห น, นก็เตรียมไว้ให้เลยถ้าเป็นนักเที่ยวก่อนกลับมาจะทํางานแนละ้วสักเพื่อรีดผ้าให้เสร็จ ออกเสื้อผ้ารีายให้แล้วครับคไม่ช้าไม่กี่วันคุณไม่เกินสิห้าวันช้าโดอรโอ้แข็งะช้าลงอ้ย ไ, ไปน้อยไปน้อยประมาณเดือนเดือนเศษอยู่โอไ้ไม่ไม่ยากไม่ยากแหมนี่ฉลาดหลวงพ่ออยู่วัดนี้ยังรู้วิธีปฏิบัติแบบผู้หญิงโอ้มันก็ใเจอะไรไอ้ทีแรกจริงๆริงนะครับฉันใช้วิธีนี้วิธีไหนครับหลวงพ่อครับไอ้วิธียิ้มเนี่ย<อ>แต่ว่า ต้องเอาแป้งมาให้กระป๋องหนึ่งกระตั้งหบาทผูกผ้าดอกเทีนหนึ่งเล่มครับจะเสกให้แต่ว่าจะเสกต้องเสกสามเดือนในระหว่างที่จะก่อนจะเสกต้องยิ้มไม่เสมอนะโอ้แเ่คาจริงไม่เสกไปเสกบ้างเฉยเฉยถึงสามเดือนแกก็มาเอาใช่ไหมครับะตังแล้วก็ขึ้นไปบอกกระตังเนี่ยไปซื้อของใส่บาทผู้ชาครูครับครับ พอไปใช้ไม่กี่วันเนียบอกกลับมาชนะแล้วเพราะอะไรก็เริ่มอยู่ตั้งก่อนกอนสามเดินโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยแยยยนยยยยยยยยยยยยยยัยยยยยยยยยกยยยยยย่ยยย่อยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยายยากยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยัยยยยยยยยยยทยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ผมไม่มีคาถาแต่ว่ามีวิธีสน่ห์ทำไงก็เลยเล่าจนฟังล้อกี้เขบอกเออเข้าใจหากินเว้ยทำต่อไปครับเอาใจทำต่อไปนะทำต่อไปอ่ายังงั้นก็ได้ผลนะได้ผลนะตำรายิ้มสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ต้องใช้คาถาคุณแผนปราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกเป็นสิทธิ์พ่อปีสองห้าหนึ่งแปดหมายนี้อ้างพศมาเลยนะ มีความเด็ดจะเรียกไปถามอาจารยว่า น, น้องอว่าหลบไปไงรเรียกไว้ว่างไหมยังอยู่ที่นั่นนีย โ, โอ้โหแต่เห็นเขาเล่ากันว่าแกามีคาถาเสน่ห์เลยบัก<อ>ผมไม่มีคาถาแต่ว่ามีวิธีเสน่ห์อ่ทาทําไงก็เลยล่าจนฟังวโลกี้ขึ้นบอกเอยเข้าใจหา ก, กินไว้ทาต่อไปครับเอาใจําต่อไปนะทาต่อไปอ่าอย่างนั้นก็ได้ผลนะได้ผลนะ ตำรา ย, ยิ้มสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ต้องใช้คาถาคุณแผนกลาบเท้าหลงข้อที่เคารพอย่างสูงลูกเป็นสิทธิพ่อปีสองห้าหนึ่งแปดหมายนี้อ่างพศออมาเลยนะมีความข้องใจนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมปัจจุบันทันด่วนหนึ่งถูกหมามันกัดขาข้างขวาสองตาข้างขวาเกิดเป็นหนองไวรัสในอากาศแขนขาซีดซ้าย เริ่มจะเป็นอมพาดเป๋ไปเป๋มาผมไปสะดอกเคาะที่วัดสองครั้งแล้วมันก็ยังเป๋อยู่โอ้โนี่สะดอกเหนือก่อนนี้อาจารย์ผู้สะดอกก็เป๋นะฉันน่ะผู้สะดอกก็เป๋เหมือนกันเรยเยอะกำลังเป๋เก้ากัดขาไงอล่ะเก้ากัดขานะที่จะเรียนถามคืออย่างนี้ว่าอันนี้คิดว่าผงจะเป็นเวรเป็นกรรมแน่แต่ว่ามี วิธีที่จะปฏิบัติแบบไหนเพื่ออารมณ์กลุ่มอารมณ์โกรธอารมณ์ร้ายจะได้บรรเทาลงไปบ้างขอเจ้าสาอถือว่ามันเป็นกฎของกรรมอเราทํามาแล้วเราขอชดใช้ชาตินี้ชาติเดียวครับครับชาติต่อไปไม่เกิดมาเพื่อใช้กรรมต่อไปขอไปทิ่ผ่านอ้เราแบบนี้นะครับครับฉันก็ต้องคิดแบบเนี้ยมันยุ่งทุกวันนะแม้ขนาดไปหลวงพ่อดีแสนดีเขาก็ยังต้องป่วยเนาะไม่มีดีอ่ะ มันป่วยทุกวันไม<อ>่ป่วยทุกวันนะอวัเ น, นี่อันหนักวันนี้หนักเลยครับวันนี้หนักเ<อ>ขาบอกไปแต่เขาแปลกนะยังยิ้มได้อเพราะสอนเขาให้ ย, ยิ้มเราต้องยิ้มด้วยนะทำยิ้มเป็นตัวอย่างออห <laughs> น้าเนี่ลับเลนะกล <laughs> ับเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงคือวันนี้ลูกไม่สบายใจอาจจะทําผิดพลาดไปนิดเดียวเงินที่ใส่บาท เงินที่ใส่บาทเวททิโยวรารบบาทละบาทละบาทนั้นได้จํานวนเงินทั้งหมดสองร้อยกว่าบาทเลยแบ่งไปเช่าสังฆทานชุดเตซหนึ่งร้อยที่เหลือก็ถวายหลวงพ่อไปไม่ทราบว่าจะผิดกฎของวัดท่าสงหรือเปล่าหรืออย่างไรช่วยเมตตาแนะนําลูกด้วยเถิดเพราะลูกจะโง่งมากอีกเจ้าข้าอ้าวงงไม่เป็นไรไถว่ายสังฆทานนั่นไม่เป็นไรถวายสังฆทานชุดแล้วที่เหลือถวายหวงพ่อหมดเลยใช่เอาอย่างนี้ก็รับงั้นเหรอรับแถมก็รับให้ได้ไม่เนไรนะ ใช่ครับไม่ผิดรวยๆนะจ้าหลังเช้าหลวงพ่อระรจะเคารพอย่างสูงลูกได้ย้ายไปอยอู่จากจังหวัดหนึ่งไปรับราชการอีกจังหวัดหนึ่งลูกมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าชอบเอาเอกสารต่างๆของจังหวัดนี้ไปใช้จังหวัดนอแล้วพอเริ่มมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ความไม่สบายใจว่าการกระทําอย่างนี้จะเรียกว่าผิดศีลข้อที่สองหรือไม่ และถ้าหลวงพ่อแนะนําอย่างไรต่อไปลูกจะเชื่อทุกๆอย่างเลยเจ้าค่ะ น, นี่มีอย่างนี้ซะด้วย อ, อแสดงวก็รักหลวงพ่อขอแนะนําให้ขโมยมากกว่านั้น ไ, ไอท้ไอที่ได้มามันน้อยไปงั้นเหรอน้อย ไ, ไป<อ><อ>จริงเขาไม่ใช่ในหน่วยรายการนะราบจะถือว่าเป็นส่วนตัวก็ยังไม่ได้ใช่ไหมมันคงจะไม่มากหลือมั้ง สุกบ้งว่างกับสามนผ่นนิดนผ่นนะครับผมก็เอามากพอนียังไม่เป็นไรแลยยกส่งเป็นตัวอย่างแค่นั้นเมื่อเลกแล้วผมก็ยกแล้วล้งรีบบอกก็่ความเร็วต้องอย่ยกส่งไอ้นี่ยังไม่ถึงว่าเพืินาทานแพ้นะก็ไปใช้ในหน่วยราิการเหมือนกันแปลกนะคนที่มาที่ซอยไซลมเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยแหมทาอะไรได้ร้อยแปดหมพอเป็นลูกศิษย์ลงพ่อไอ้ไหนก็กลัวบไอ้ไหนก็กลัวสิ่งขาดแม่ไกลัวไปทุกอย่างทุกอย่างเลยยังไงครับรากลัวตกนรก เออกลัวอย่างนี้ดีวันนี้นนยังไม่คนกลัวคนนะอ่ะใครทำพ่อครับกลัวยังไงยกทรงอ้าวกลัวกลัวอะไรพ่อกลัวเมียเขาเรียกแกมวนะัวผมก็อยู่ในโอวาชับต่อหน้านะเป็นคนดีมานานแล้วฮะับแปดปีศึกมาเนี่ยผมเรียบร้อยคนระับเรียบร้อย หลวงพ่อเจ้าขาลูกเป็นคนที่มีเมตตากรุณาต่อสัตว์เป็นอย่างมากถึงก็ต้องลงทุนสร้างซื้อซื้อและสร้างกรงนกขนาดใหญ่ให้เขาอยู่ตามสบายลูกไม่สบายใจอยู่อย่างหนึ่งว่าควรจะเลี้ยงต่อไปหรือปล่อยให้เป็นอิสระภาพดีเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาและมาฝึกมโนมยิ้ทิดูยังไงยังไงพี่คนไม่ชัดเจนแจ่มใสาตามความเป็นจริงเหมือนเมื่อก่อนยังไม่ซื้อกรงนกและเอานกมาเลี้ยงเลยเจ้าขา เออเลี้ยงนูกนี่มันเป็นบุญนะอ้าวเป็นยัาไงบายเวลาตายแล้วไปเวมาเนี่ก็เปรตเลโอ้ไหนไหนใเราพูดนิดึงล้แบบบุญบุญแบบนี้มีด้วยเหรอเวมาเนี่ยเป็นอย่างนี้วิมานก็ไปวิมานปกติใช่ไหมครับนะร่างกายก็ไปเนตาเป็นางฟ้ากราบทุกอย่างสมบูรณ์หมดแต่ออกจากวิมานไม่ได้องจากฟันหัวโอ้โห เงี้ยเรียกเรกามีความสุขเฉพาะในวิมานเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเราเลี้ยงเราให้ความสุขไงจะบินไปไหนไม่ได้อเขาเรียกวิมานนี่ก็เปรียบกรับกราบกราบม่สะดุ้งเลยนะต่อยดีกว่านะยาดีกว่าครับช่ยดีก่อนไปอิสรภาพดีกว่าครับหงพ่อเขารับปนี้ก่อนเข้าพรรษาที่วัดจะมีการบวชพระเอีกหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ากระผมจะไปบวช แล้วผมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรลงทุนขนาดไหนและบวชไปแล้วจะออกไปทุ ด, ดงวงปลดจะได้หรือไม่หรือหลวงพ่อมีกฎเกณฑ์อย่างไรผมกราบขอระเบียบทางวัดเขามีนมนะอแต่ว่าไม่ต้องปฏิบัติกรามรมาเบียบก็พื่แต่เพ่ใช้วิธีรัดเออมีรัดหรือครับมีจ่ายเงินมาสิบล้านก่อนแล้วก็ไปตามสถากรรมเงินอันนั้นสิอ๋อ อเกี่ยวกับเรื่องบวชไปบวชที่ต้องไ ป, งไ ต, ป ต, ต้องไปตามนั้นเลยนะจะอย้างว่าเคยทําบุญมาทำนักบุญที่ไม่มีทางไม่ได้เลยนะครับระเบียบต้องเป็นระเบียบใช่อดอกปฏิบัติตามกฎจะก็หมดเรื่องไปงนะครับว่าทุดดงบังไม่จําเป็นต้องเข้าป่าทุดดงสิบสามไม่เคยเรียนมาหรืออยู่ในวัดก็ทุดดงได้ครับไม่แน่บางทีออกป่าอาจจะแยกไปอยู่เมืองนะแยกกว่าเดี๋ยวนี้มันป่าไม่เคยมีเลยอ๋อ เดี๋ยวปีนโพวกหาเป็นโจรส่งเด็กก็จะซวยใหญ่ครับครับอยู่ในวัดจะปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะวัดท่ารงที่แหม่สบายทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวยุงกัดเจ็บจังให้คนมีบาทยุงยังกัดไหมฉันเดินไปครั้งปียุงไม่เคยกัดฉันเลยอ๋ออันี้เป็นความจริงนะครับเอ๊เล็กนั้นะทเจ้าตั้งแต่ยุ16ปีจนมาอยู่ไม่กัดโอ้โหอ อันนี้หมายถึงมันไม่กัดไงไม่ฮะหมายถึงว่ายุงมันไม่ยอมกัดหรือว่าต้องมีอะไร ก, ก็ยุงมันไม่ยอมกัดโ อ, อคือว่าเรียนศึกษามาจากไม่ชีคนไงถัาโอ้นี่ตำราออยุงไม่กัดต่อไปอยะเลือกเลกอกคือกอยอแล้วเพราะว่าตอนนั้นไปที่นอนที่รังสิตใช่ไหมกลางเรือแจวเรือไป อ, อก็เรือทักสิตเรามากกว่าอยู่ร่อมกัน ป้ากฏยังมียอเชื่อหนึ่งจะนัางคุยเฉยยุงไม่กัดทุกคนยกมือไขวยหมดไล่ยุงตอนชายทางสถาว่าคุณป้าครับคุณป้ามีสถาอะไรที่ยุงไม่กัดใช่บอกไม่มีเลยคำว่ายุงอย่าพูดถึงต่อไปนะมันมีอะไรบ้างมันจะมีบักรปัดไปแต่ทำ่ายุงไม่พูดถึงต่อไปแทนมาลงทำไม่เกินสามเดือนมีผล ที่เขาหนึ่งไปที่จังหวัดเชียนาฏไปนั่งอยู่กับเจ้าหน้าอําเภอเขาครับนั่งคู่กันโต๊ะเดียวกันนะครับนั่งห้อยขายที่เดียวกันไอ้เจ้าหน้าอําอมปัดควายหมดเราด <c oughs> ังเฉยถามอะไรบอกยุงกัดบอ ก, บอกถามีเลยถามมาบอผมไม่มีอะก็ต้องติดกันโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องใช้กระถาอะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้กระถ า, าบอกคือไม่พูดคําว่ายุงออ ก็ไม่ได้ผลไงถือว่าไกล่าฟังเฉยเฉยไม่ได้นะ่ย้นมาลงแล้วต่นี้หลวงพ่อปฏิบัติได้ผลนะฉัชอบชอบทดลองอ๋อเอ๊ะต่อไปก็สบายเลยไม่ต้องใช้ม้วงรวดไม่ต้องใช้กอยอ้ยุงไม่มีแน่ไอ้กอยอเป็อะไรก็ไอ้มันเป็นยาชนิดหนึ่งนกินแก้อยากหลงเหมือนเลยทะลุฟ้าไปเลยกอยอไอ้ก็ว่ากันอย่างนั้นนะ แล้วพ่อเจะสาการถวายสังฆทานที่ถอยสายลมปกติลูกไปเคยมาเพื<ห>่อให้แนะ น, นําก็เลยมา ต, ต, ตอนมาได้เห็นเขามีใบาอะไรชนิดหนึ่งเขานักถามว่าเขาบอกว่าใบอธิษฐานก่อนถวายสังฆทานบังเอิญลูกโชคร้ายอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่รู้จะพูดว่า ย, ยัางไงถือทื่อๆมาถวายหลวงพ่อเฉยๆแต่หลวงพ่อเขาังบอกว่ารวยๆที่สงสัยก็คือว่า กล่าวคําอธิษฐานก่อนสวายกับไม่ได้อธิษฐานอานิสงส์จะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรฉันว่าคนนี้ทําทถูกแล้วนะเอาอีกแล้วถูกอีกแล้วจริงๆไม่จำเป็นจะยกย่องลูกศิษย์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่จะยกย่องลูกศิษย์ใหม่เขาทำถูกก็ต้องว่าถูกพระเอาพระต้องโกงไปโกงมาบางที่กลงไปโกงมาครับนั่นหมายความหนังสืออธิษฐานนะไม่รู้ใครทําอำซึ่งมันไม่มีความจําเป็นออ อธิษฐก็คือนึกตั้งใจหยิบมาพับตั้งใจมาขอผลบนนี้จุดส่งผลข้าพเจ้าไปไหนไปนิพพานให้ชาติหนักให้รวยใส่คนที่นิพพานนึกแค่เนี้เดินมาก็นึกมาเลยสั้นกว่าแล้วสบายกว่าได้กว่าเยอะแยะได้ผลแน่นอนให้นั่งเอไว้นั่งแค่อดีตตัวตัวดีไม่ดีอ่านไม่ค่อยจะออกก็ลําพางตัวเองนะเอาเอแบบสิไทยอย่างหลวงพ่อดีกว่านะแบบตรงไปตรงมาแบบยึดตรงไปตรงมาครับครครับเอาตกลงเรื่องนี้ก็ ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องคำอธิษฐานกล่าวตำรับการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงก็ลูกไม่สบายใจอยู่อย่างหนึ่งแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกเกี่ยวกับคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อและคุณแม่แแมยุแก่แล้วลูกก็อยากจะให้มาฝึก ม, โนโมันลงมายาทิแกก็บอกว่าเออรออีหน่อยให้ทํ า, าอะไรอะไรในฝ่ายการดีแกบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาและรออีหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแกไปเล่นไพ่เป็นประจำ ลูกขอร้องก็แล้วแกบอกว่าแม่แก่แล้วต้องการพักผ่อนพยายามตักเตือนแกไปบ่อยแกก็โกรธไม่รู้ว่าจะแกะยังไงอยากจะจุดจุดจุดจุดจุดก็เกรงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมไอ้จุดจุดมันอะไรวะตบซ้ายตบขวาต้องแบบไม่แน่ใจและไอ้พวกจุดจุดนี่นะจุดจดจะเปล่อไฟจุดตัวนะครับ ก็เลยตัดสินใจมาพึ่งบารมีหลวงพ่อดีกว่าว่าจะมีวิธีแก้ไขท่านทั้งสองอย่างไรเพราะว่าแกทั้งหลวงจนเกิโคต้าเลยจะไปไม่ใช่หลงนั้นเขาฝึกสมาธินะเล่นไพ่เนี่ยสมาธิเป็นทัานสมถาวิปัสสนาเล่นไพ่เนี่ยหลวงไพ่ได้เป็นศีลด้วยเอาไปหนักเลยศีลสมาธิปัญญาไหนนักค่อยอธิบายทีละก็ศีลก็แปลปกติใช่ไหมใช่ครับปกติอยากเล่น โอ้เป็นสมาธิ่วนดิบมาถึงดูปั๊บมันตัวอะไรจะทิ้งอะไรจะหยิบอะไรขึ้นมาเอาเอารู้แล้วต้องใช้ปัญญาต่ทิ้งไปเนี่ยจะจะกินแล้วจะเสียโอ้มีพัฒนายาแก๋วโอ้โหถ้าเวลาป่วยนะจะบอกให้นะครับไปไหนเอาไผ่ต้มมากีนให้กินนะยาอื่นไม่ได้ให้กินนะให้กินไผ่ต้มอย่างเดียวนะ ก็ <c oughs> ต้องแก้เผ็ไส้เผ็ดทเเอางี้สิกรุณามเมตตาน่แกเวลาพระถ้าว่าท่านท่องที่ท่านนอนที่นั่งนะครั บ, รบให้มีพระพุทธรูปสักองหนึ่งให้เห็นพระแค่นั้นก็พอแล้ว อ, อยบเฝืนกันเพราะว่าเวลาเ่จิตเป็นสมาธิเวลาเล่นไา่ได้เลเห็นพระก็เป็นสมาธิได้ โอ้เพื่อตั้งไว้ดูท่านชอบพระแบบไหนครับคเอาไปตั้งไว้จะไม่ไม่ต้องมาคับไปบูชานะครับครามใจชอบอ๋อเห็นบ้างอะไรบ้างแกก็ใช่ใช่ครับคก็มีท่านสมณะสินมาที่ปัญญาอยู่แล้วครับครับโอ้ครบหลักสูตรอยู่แล้วนะเออขอให้พ่อแม่ผู้ที่จงเจริญผียัดเหยียดให้เข็ดแกไม่รู้จักจำอ๋อใจ อหลวงพ่อเจ้าขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสามีสามีลูกโดนซ้อมนิ้วเลือดกระโูดไอ้นิ้วเลือดกระโูด เ, เดดย็บผ้าเข็มแล้วมีหม้อไฟเราเปิดเป็นน่นเป็นนี่งหลวงพ่อฟังไว้เงี้ยทุกวันนี้ไม่ทราบว่าไป ป, ป, ปล่อยอะไรสามีของลูกเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างทุกประการไปถามคนจีนเขาบอกว่าไม่เฉพาะแค่นี้นะมีสองแล้วต้องมีสามต่อไปลูกไม่สบายใจไปอย่างมากอยากจะให้พ้นเคราะห์กรรมอย่างนี้ มวงพ่อมีวิธีที่จะแนะนําหรือเอาของดีจากวัดท่าซุงอย่างไรประการใดโปรดสงเคราะห<า>์โดยเถิดด้วยครับเอาไ่ดีนะกราบแบบเอาพระมาตักแปดศอกคลุมตัวไว้แปดศอกนะครับใช่องค์แปดศอกแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเรียบร้อยก็ออกมาไม่ได้โอ้น้าสงสาร จ, จริงนะเออเอาไม่ดีกว่าครับกราบบนกว น, นยิมพร โอให้กันช่วยนะครับครับครับถ้าหนักเปนเบาเบาเป็นหายครับถ้าป้องกันไม่เกิดได้ก็จะดีดีให้ดีที่สุดครับครัาบนก็ถวายท่านฉันว่าเบานะโออ๋อก็รวจทุกพอนีไม่ได้เก่งทางอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างเก่งทุอยังเอ๋อพวกซื้อขายที่ดินก็ชอบบนนะไอ้เจ้าที่เล่าให้ฟังนี่ก็รู้สึกมันน่าจะขายต่ำกว่าน่าจะขายจริงกันจังห้าล้านกว่าอ้าว อิจฉาตึงมาจากจังหวัดตากอำเภอเมืองอณะมัธยการกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้อ่านหนังสือธรรมวิโมกเป็นสมาชิตรามวิโมกนะเล่มที่ร้อยเก้ามีคอหน้าเก้าหกละเอียดลองหัเหีย น, นยาวมากนะเอาย่อเลยว่าย่อลูกสงสัยอยู่ตอนหนึ่งเพราะว่าลูกเป็นคนโชคร้ายหูหนวกแต่อ่านหนังสือได้ฟังเสียงไม่รู้เรื่อง แต่ที่แปลกใจก็คือว่าในนั้นบอกว่าอย่าลืมนะให้ใส่พระภายในบ้านด้วยการใส่บาตรพระภายในบ้านนั้นจะเป็นสติมงคลอย่างยิ่งลูกขอเรียนถามว่าพระในบ้านนั้นคือพระอะไรแล้วจะใส่แบบไหนจะบูชาแบบไรจึงจะได้ผลสมบูรณ์แบบตามธรรมวิโบกเจ้าค่าพระในบ้านมีสามองค์สามยังพระพอ่อ สองพระแม่ลาบสามพระพุทธลาโอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีคือความพันญุูรู้คุณนะลาบลาบแล้วก็ไหว้พระรูปจะสมเมือเสมอแค่นั้นแหละโอแค่นี้เองเหรอใช่แม่พูดถึงปริศนาซะสิ่งเยอะแี่ที่เรื่องพระพุทธที่มีมีขอนิดเดียวคือว่าเก<อ><ม>ี่ยวเก็บอาหารที่ถวายเนี่ยส่วนมากปัจจุบันนี้เราก็มักจะบารจะแม่ท่าหัวโป้งตับข้าวก็ท่าหัววิโก้ย เราชอยกับอันนี้เดียวเงี้ยเอ๊ยอย่างนี้จะเป็นการดูถูกเกียดตอย่างหลวงพุทธเจ้าซึ่งใหญ่โตไม่ใช่ดูถูกตายไปชาติหน้าจะเป็นคนมัธยัตคนป<อ>ระเภทนี้เหรออ่ากินน้อย <laughs> <laughs> เอ๋ววามนี้เลยยุ่งแน่ละอ้ทั้งวัยน้อยน้อยเวลากินกินน้อยน้อย่นเหรอกินน้อ ย, อ, ยอ้วนเองเงี้เนี่ย <laughs> โอ้ที่เขาเอาวิญญาสองมั <laughs> <laughs> ้งให้ฝันได้มาครับโอ้อยังอย่างนี้ก็แสดงว่า แต่ว่าเจะได้เป็นการบูชาโอการจรินแค่ว่ามากนะดียกไปทั้งหม้อจะดีกว่าดียังไงหลวงพ่อครับถ้าถวายเสร็จสองนาทีลาเลยมากินเป็นมงคลโอโออย่างงี้ก็ได้ให้นี่เป็นเพนยงความจริงนะครครับครพออย่างนี้ถ้าพูดว่าเราไปตามตลาดหลวงพ่อครับเดี๋ยวก่อนนิดเดียวเวลาเราไปตามตลาดพอตักข้าวตักแกงเสร็จมาวางบนโต๊ะแล้วเราก็ขอบูชาหรือถวายอย่างนั้นก็ได้หรือเปล่งได้เลยอ ว่าก่อนจะกินนึองถึงพระพุทธเจ้าก่อนนล้ถือพระเจ้าประสรมประสงค์ไงครับครบเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆ า, านุสติถ้าทําเป็นประจำทุกวันเขถือว่าเป็นฌานโอ้ให้มันลงนรกไม่ได้โอนมีแค่ถวายนิดเดียวยังกันนรกได้นะคําว่าถวายเรารู้สึกว่านิดเดียวแต่ก็อันสงอย่างมากโอ้ครับครบแต่ก็ก็แถมด้วยที่ทว่าเวลาหลวงพ่อจะถานอาหารเห็นยกมือไหว้ข้าวทุกครั้งไม่ทราบว่าหลวงพ่อพูดว่าอะไร ที่ตอนนั้นบนบนว่ายังไงหลวงพ่อครับกับข้ามาที่สอดใจมันไม่ออกมาอ๋อเหมอนหือนนนั้นเรไหวไปพระพุทธเจ้าอ๋อไหวเหมือนกันไหวพระพุทธเจ้าทำไปสงไหวหมดอ๋อเป็นพระก็ยังไหวพระกันนะอ๋อขอ่จะเป็นพระได้ก็อาศัยพระนะอ๋อจับยายก็เลยถือโอกาสนะเอาเป็นเนติแบบฉบับเลยว่าก่อนทานอาหารทุกรันก็ อย่างเรียกบูชาหรือว่าบูชาจะถูกนะแล้วแล้วเวลาเวลาจะกินออกกดีเลยเวลาจะกินแล้วนั้นน่ะจะจะพูดยังไงที่จะถูกต้องครับเวกินไม่ต้องพูดแต่ถืนพูดที่ดีไม่ทันคนอื่นเออใช่นะเออแยกกินดันไม่พูดอีกนะถ้าจะกล่าวคำนะนี่เอิงจริงๆทํอย่างหลวงพ่อดีนะครับโงยุยยากเป็นไปไม่ทันการแน่นี่ถ่านสหก็จะกินข้าวนะจะให้อร่อยได้ผลนะ ต้องไปกินข้าวกับคนที่เขาเจริญวิปัสนายุบหนอพองหนเอข้าวหนอจับช้อนหนอเชื่องหนอย้ายหนอไว้ก่จะข้าวข้าวคำหนึ่งก็ใช้เวลาสิบนาทีพอเราอิ่มแล้วดี๋ยวนี้ไปเจอจิ้าไอเนื้อปลาภุงปลาก็สบายเลยแล้วไปต่อเลยพุงหนอพลัว S <S <S นั่นน่ะสิสตู้ตุริตะตุริตังของวัชระสุงไม่ได้นะกลัวเลยอ้าวนะก ล, ลับก็พอดีก่เวลาเอวังก็มีโดยประการละสิมอ่าเมื่อจบแล้วก็แหมไม่ค่อยมีงานวัชระสุ่มัเหงาใจแต่ก็ไม่เป็นไรมิถุนานี่หลวงพ่อก็มาหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสีุ่กสาร์จันทร์แล้วก็บอกว่า โมเสกกล่องละร้อยสี่สิบห้าบาทใช่ไหมไม่ใช่โมเสกแต่<ไ>บเบเื้องเครืองอ๋อเบื้องเครืองกับโมเสกเป็นคนละอย่างไง ห, หนูอ๋อมาเรียกหนูเลยเนี่ย <laughs> หนูยุดนิดเดียวจ๊ <laughs> นะอ๋อก็เบื่องเครือบนะเรือ่องเครือบอ่ากล่องหนึ่งก็ร้อยสี่บ้าแต่ควจริงร้อยห้าสิบเรเรื่องมวลาวไฟนะฮะอ่าของเขาขายส่งท้องตลาดจริงๆก็ส่งร้5ยเจ็สิบห้าร้อยเจ็ดบ้าเวลาให้หลวงพ่อ เหลอลอยสี่ยสันห้าลอยสี่หแล้วก็เงินเชื่อด้วยใช่ฮะเัินไม่ได้เชื่ออาก็ว่าไม่มีเงินจ่ายว่าไม่ไม่ได้เชื่อเขาเรียกอะไรครับเราจ่ายเงินสดแต่ยังไม่ให้ก่อนโอ้ <c oughs> จ่ายสดแต่ว่าให้ทีหลังนั่นเลยจ่ายจ่ายจ่าครับครับครนี่ก็โมทนาทุกทุกท่านนะก็เป็นอันว่าปิดท้ายรายการก็มีมีถุงยกรงยืนถือตามอัตยาศัย มีสิบสองงานบุญนะจะใส่มากใส่น้อยก็ได้อันนี้ก็รักษาอนุรักษ์เขาไว้เมื่อบอกท่านทั้งหลายเสร็จจีบรนอยแล้วก็ไปนั้นว่างานเสาที่ยี่สิบห้าสิงหานี่เป่ายาันกรอบเพชรนะตกลงก็ต้องมีรถเช้าด้วยเพียงขอ้อสี่โมงเ ช, ช้าใช่สองโมงเย็น2องโมงเย็นแล้วก็บ่ายบ่ายสี่บา่บายสองโมงมีสองรอบสามรอบไม่มีคน ลองแล้วสองรอบไม่มีคนครับครับครับเอมีแต่ไม่มากครับครับแต่ว่าใช้สองรอบพอครับคครับสี่โมงเช้ากับบ่ายสองโมงอ้สี่โมงเช้ากับบ่ายสองโมงครับสี่โมงเ้ากับายสองงครับครับครับก็เป็นนั้นว่าเรียนให้ทราบไปร่วมหน้าสําหรับใครที่ถ้ามีเทียนนะก็เอามาดีจะทุบหรือเยอะชมคนเดียวครับคนเดียวก็หนึ่ง ตอนนี้นะมีเรื่องเรื่องนะรเพราะ ว, ว, <c oughs> ว่าตั้งแต่เวลาเจริญกรรมฐานพร oh. ะท่านก็บอกแล้วว่ามีคนคนหนึ่งที่มาที่เนี่ย oh. หนักใจเรื่องเคยฆ่าสัตว์ใหญ่อท่านนั่งหนักใจแล้วละฆ่าสัตว์ใหญ่ยอย่างควายงัวพวกนี้ oh. มีมาแต่เวลานี้จิตเริ่มเป็นกุศลใช่ไหม oh. เมื่อกี้นี่ลงุงอะไรมาบอกว่าให้บอกให้เขาทราบเพราะ ว, ว่าไม่ต้องหนักใจเรื่องนั้นเพราเรื่องพ้นมาแล้วนะ อ, อ๋อครา บ, รบแล้วก็บุญที่เคยบวชพระมาในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีกําลังจะเข้ามาถึงอ๋อที่หลังให้มาเรื่อยๆจะมีสระตังมาแล้วไม่มีสระตังมาไม่สําคัญครับค ร, บครบให้มาร่วมมุนกับเขานะอ๋อเริยนกรรมฐ า, านกับเขาสวดมนต์กับเขาอย่างนี้แล้วก็ไปชาไปนานนักเมื่ออันที่สอง บวชพระสงฆ์เข้ามาถึงจะมีความร่ำรวยคล่องตัวมากโอ้โหมีขาวแล้วเนี่ยนะครับครับโอ้โชคดีของคนที่มานะคิดว่าเห็นตั้งแต่สักเวลาเจริญกรรมฐ า, านอ๋ออันนี้เมื่อกี้ลุงมาเตือนบอกทุนทําไมไม่พูดบอกจะพูดอะไรเขาไม่เปีนจุดหมายมาถามโอก็เลยลืมไปครับคนี่ก็เมตตาของเขาอะไรเสียงก็ไม่คอจะไหวครับโอ้คุณพ่อป่วยไม่ค่อไม่สบายนะป่วยไม่ใช่ป่วยอ่ะเป็นอะไรกัะ เสียงแห้งครับเสียงนี้เสียงหายยากมีอารมณ์เหลืก่อนวันนี้แปลอะไรวันนี้อะไรลูกลืมแล้วชื่อสมศนออลืมแล้วมานั่งเถียงสองแก่มาต่อไปตั้งใจที่สมศรน์นะอีกทางบุญยะพลังอีกทางบุญยะพลังผลละบุญใดผลละบุญใดที่ใครเมื่อผลบุญที่เป็นบทที่บทพระเข้ามาถึง ตัวเองบวช ด, ด้วยถ้าก็ช่วยคนอื่นบวช ด, ด้วยนะทราบทราบเข้ามาถึงแรกจะเป็นนักบุญถ้าเวลาตายจากโลกนี้ไปจะเป็นเทวดาแต่งขาวโอ้ขาวด้วยนะครับเพาะขาวเขาสูง ม, มากที่เป็นนักบุญใหญ่ทร า, า, า, าบทราบครับพรต้นนี้นะทราบทต่อไปครับพอนะเสียงอะไรอะอืนผูิดกันแน่โ ด, โดยเจ้าคนที่ขึ้นศาลแล้วนะก็นำหน้าที่ไปคุยพากษา คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผมกับคุณพ่อกําลังถกเถียงกันว่าหลังเที่ยงวันไปแล้วเราจะบูชาข้าวเราพุทธก็ทําประสงค์ไม่ได้เพราะท่านฉันเพนไม่เป็นผมบอกว่าเป็นพุทธานุสติน่าจะใช้ได้ผลเมื่อเถียงกันไปถึงกันมาไม่ตกลงอ้าวก็ต้องมาขึ้นศาลวัดท่าทรงว่าใครถูกใครผิดกันแน่ระหว่างผมกับลูกก็รั้ง เดี๋ยวก่อนข้าธทำเนียมสารยังไม่มีโอ้โหต้องใช้ต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องก็เรื่อว่าสารนี่ถ้าสารเจ้าพ่อจะมีหัวหมูครับโอ้ยถ้าเป็นท้าวสุนทรก็มีแค่ยกครูใช่แบงค์ใช้ได้อ๋อแบงค์ดีกว่านะหมูเหม่อไม่ต้องเอางี้แล้วกันการถวายข้าวการถวายผลไม้เป็นการบูชาพระพุทธรูปนะเท่าไเวลาไหนก็ได้ เป็นเวลาเดียวเวลาไหนกับพี่เวเวลาที่เราหลับอีโธอันนั้นก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนี่นะอันนั้นสิเสือกมาทำก็ยุ่งเลยแอที่แจงละเอียดละอเลยก็ตามเสียงไม่เคยมีเป็นอันว่าเรื่องบูชานี่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบูชาไม่ใช่ถวายทานการถวายสันชาฉันไมเป็นการถวายทาน ต้องเลือกเวล า, า, านี่บูชาไม่เกี่ยวกัน บ, บ, บูชาแปลยองรับทับถือนึกมาอะไรก็ได้เหมือนนั้นออ๋อไปนั้นว่าบูชาได้ลาบพราหหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกอยากจะทราบว่าการขนทรายเข้าวัดกับการส่งน้ำพระนั้นจะมีอานิสงส์ประการใดต่างกันเยอะเดี๋ยวอีกนิดนะ ถ้าลูกจะขนปูนขนเหล็กเข้าวัดบ้างจะมีอานนสงฆ์เหมือนกับขนตายหรือเปล่าเจ้าคะไม่เหมือนไม่เหมือนอาไหนๆเราต้องแยกแยกแะเนี่ยท่านอาขนปูนขนเหล็กเข้าวัดถ้าซูงเมียในสูง ม, กงมากโอโ้โหอย่างงั้นที่ทําบุญเรื่องอื่นไปต้องไม่ได้เรื่องนะสิเนีย่ยอไม่ได้เรื่องอ้าวทำไมล่ะก็ก็จะเอติกิมาก่อนที่ว่าแหมก่อนพระสายดีงั้นได้ฝนอย่างนี้นนอ้าวมาวันนี้มาเกิด ขนเหล็กดีกว่าขนทรายดีไอ้ขนปูนดีกว่าแ้่ฉันไม่ได้บอกว่าดีฉันบอกว่าเฉพาะเขาว่าเท่าซุ้งโ อ, โอ้จําเพาะเหรอจำเพาะครับพระวัดอื่นเนะี้ยไม่ได้ไม่ได้แน่พระวัดอื่นนะนะก็เมีในสงทุกอย่างเหมือนกันไปวิหารทานเหมือนกันนะทรายก็วิหารทานเห<อ>ล็กก็วิหารทานปูน<อ>ก็วิหารทานครัแค่ว่าเขาขาดอย่างไหนเราให้นนั้นเนี่ยจะดีมากโอ้ตกลงว่า อนะดีสมได้ทางนั้นเลยนะครับได้ครับครับครับหลวงพ่อจะขามลูกมีความจำเป็นที่จะต้องทานยาดองเหล้าเพราะว่าออกลูกใหม่ๆเขาบอกว่าบโบราณให้ทานอย่างนี้ลูกมีข้อประเด็นอยู่สามข้อเรียนถามหลวงพ่อช่วยชีย้แนะคือหนึ่งถ้าทานยาดองเหล้าสินห้าจะขาดไหมสองมนโนมยิทิจะเสื่อมคลายหรือไม่ สามยันกรอกเพชรจะคืนกลับว่าท่าทรงหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นห่วงยันแล้วเจ้านี้ถ้าเติมตามระเบียบเขาไม่เป็นไรนะทราบทรบโอ้ตามระเบียบที่ยาก็บอกทราบทราบระเบียบให่เลยไปนะไในยาห่อเล็กๆแต่ว่าเล่าไหโอ้อ้โอ้ออ้ออ้ออ้ออ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โห้ห้อ้โหโอ้อเหโออ้โัโหัออหอหอออหอ้ เป็นวงเป็นวงหลวงพอ่อขอรับตั้งแต่อะไรได้พระมหาลาบคำข้าวมาให้รู้สึกดีไปเสียทุกด้านเช่นชอบฝันในหลวงปู่ปานเอาเหล็กไหลามาให้ต้องหลายครั้งสองคิดอะไรก็คล่องแคล่วไปเสียทุกอย่างสิ่งอะไรที่ไม่เคยมุ่งหวังก็สมเห็จสิ่งใดที่เกินความมุ่งหวังก็ได้เอ๊ะยังไง อ๋อที่จะเรียนถามก็คือว่าอย่างนี้ลูกอยากจะให้ได้ผลเนียบไปยิ่งกว่านี้จึงอยากจะได้วิธีพูดวิธีอาราธนาวิธีบูชาคำข้าวมหาลาภแบบฉบับที่ถูกต้องจากหลวงพ่อเพื่อให้เกิดความคลังเรืศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะสงสัยอะไรนะดูอ่านได้ตาไง ฉันทำแล้วไม่ไดเรื่องเลยครับอมันเกินไปเกินไปนะครับเกินไปเอาแค่นั้นก็ดีแล้วถ้าอีกทำมันนะถ้าทําแบบนี้มันเป็นโลภยินจะตัดอินใจเจงยินลจเจ้าโอแทนที่จะดีขึ้นกลับจะเจงอ๋อจะมีแบบพระที่ปรุกเสกแล้วที่วัดตาทุงจะมาให้หลวงพ่อเสกใหม่หลวงพ่อบอกว่าไงนนะอ เราแำเกอีกครั้งแล้วมันจะถอยกลับท้องหมไเลมีหน้าเราจะคนนั้รีบอกลับบ้านไปเลยก็เสกเข้าไปแล้วเสกอีกทีจะออกยายก็ยายคนนั้นเนี่ยเป็นนั่งนะฮะเสกเข้าไปแล้วโอ้โหนั้นสิเสกอีกทีจะบอกเลยให้ฝันเสกออกไปแล้วไปรับยาเอาเรียบร้อยแล้วได้ รวยใครับครับเพราะเป็นนั้นว่าทําอยู่อย่างปกติก็ดีแล้วนะมันดีอยู่แล้วทําตามนั้นจะทีน่นนท์มากเกินไปจปิตพงซ่านเอากลายเ ป, <พ ung S 2> ป็นโลภจิตพงซ่านเป็นโลภะด้วยเป็นอุศจะรูปด้วยเลยตัดความดีกราบคราบครั บ, ร บ, รบแต่ที่จะได้ก็กลับจะไม่ไม่ได้สู่ความปรารถนาราบเท้าหลงก้อนถึงรบอย่างสูง หนูมีแม่เป็นคนจีนมาจากเมืองนอกปัจจุบันนี้อายุแค่แปดสิบกว่าโอ้ยนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวครับถือว่ารู้สึกว่าแกทำท่าใกล้ๆจะกลับบ้านอยู่แล้ววงเล็บตายไอ้หนูลูกอยากจะให้แกมีโอกาสตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงๆก็มาเรียนถามหลวงพ่อว่าจะให้ท่านทำบุญกุศลแบบไหนอย่างไรไมเมื่อตายแล้วท่านจะไปเกิดในสวรรค์ และเมื่อตายวันแรกถลูกจะถวายสังฆท า, านย้ำอีกทีหงแกจะมีโอกาสไปสูงสูงยิ่งขึ้นไปหรือเปล่าเจ้าคะใช่สูงขึ้นสูงขึ้นแลถ้าไม่สูงขึ้นก็สวยขึ้นที้งสองอย่างสูงกับสวยใช่ตอนทีก็จําเป็นเราอยู่เช่นนั้นแต่ว่าความในทิศสวยขึ้นดีขึ้นหัว ออนนี้ก็ดีกว่าใช่ยังไง่อนที่แกจะตายจนถวายสงฆทานบอกให้แกว่าจะถวายสังฆทานนะโอแม่มีตังไหมขอสัก5้าสิบตตังให้ไปสังฆังทานมาจากเมืองจีนป่าวแค่ขอแค่50าสิบตังหนึ่งนะก็มาหล่นกันทะเลหมดโอ้โหใช่เลยอก็บอกให้ท่านทราบแล้วก็มาถวายนะทนทราขอแตังท่านสักบาทสงบาทจให้ไม่หนักใจไงโอ้แ้่เราก็มารวมกันเข้าสังฆทานชุดหนึ่งอ ครับคแล้วกลับไปบอกท่านบอกสังฆบวชไสังฆทานแล้วนะแม่นะสานาลพแล้วเพราะตอนแก่ขนาดนี้จิตไว้จอะไรแล้วนอกจากจับบุญใช่จับบุญแล้วไม่ปล่อยเลยเอยอครับเล็กน้อยนิดหน่อยก็ใช้ได้นะเป็นเราลงบุญนะสังฆทานไม่ใช่เล็กน้อยแม้ห้าบาทสิบบาทจะเป็้สูงใหญ่มากอันนี้สูงที่คุณอานโออันนี้สงนะครับโอ้ห้าบาทสิบบาทจะว่าเล็กไม่ได้นะ เล่าเนี่ยสิบาทเมานะโอ้โหใช่ใช่ใ่ครับครับหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยากจะขอวิธีบำเพ็ญบารมีที่เวลาบรรลุอรหันต์แล้วจะได้ปฏิสัมพิธายานได้ด้วยนั้นเราจะต้องทำบุญประเภทไหนและอธิษฐานแบบไรเมื่อเวลาสำเร็จแล้วจะได้ปฏิสัมพิธายานพร้อมๆไปเลยเจ้าขา ฉันยังไม่ได้เลยพวกยันยานยันเยนนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ต้องขันไปสมิธายานถึงฉันยังไม่ได้เลยหรือสอนใครได้อโอต้องได้ก่อนถึงจะสอนได้เหรอใช่สิรออีกสามสิบปีจะบอกให้อีกกี่ปีนะสามสิบปีไม่รู้ใครไปก่อนใครนี่ถาม มันต้องอาศัยบา ร, รมีเก่าไม่ใช่บา ร, รมีใหม่เอาที่สังเดจร้องบรารมีสังขารัมาทุกข์ขอเก่า<อ>คือเก่าเขาเคยได้สมาบัตรแปดมาแล้วเคยได้ปัญญามาแล้ว อ, อาศัยบรรึญของเขสมาบัตรแปดจะได้เปรร็นสังขารันนั่นคือประสางของสังเดชนะเลยครัต้องของเก่าตามมานะใช่ๆไอ่างั้นก็แสดงว่ามโนวิเยตเทศที่ฝึกอยู่ทุกวันนี้จะได้เป็นปุ๊บปั๊บพิทาชิตนี่แสดงว่าของเก่าเขาใช่ใช่ทดสอบได้เลยออ ผมนึกว่ามาที่นี่จึงได้ไปที่อื่น <c oughs> ไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อเป่าหัวเสกหัวแล้วไม่ใช่ไ ม, ใชไม่เกี่ยวกันเลยนะอะไรกันผมบอกว่าสมาซอยสลมแล้วหลวงพ่อแผวแลวรมีเป่าหัวจนได้มาโนอิทธิทุกคนไม่เคยเป่าทีเห็นแต่ <h az va> เป่ายานัทอย่ า, างเดียวนะ <c oughs> ใช่ค่อแท้จริงก็คือว่าของเก่าของเก<อ><อ>่าเขา<อ>มีอยู่แล้วตามวานั่นเองนะฮะอ่าหลวงพ่อเจ้าขา ในวันที่สิบสี่พฤษภาคมสามสามศกนี้ลูกจะมีการทันสนยากเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินและลูกก็จะได้มีคอมมิชชั่นไม่ใช่น้อยอแล้วลูกถ้าจะได้จังแล้วแอ้รู้เลยลเหร อ, อลูกตั้งใจอย่างนี้จะค่ะถ้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วลูกจะถวายหลวงพ่อก้อนหนึ่งหลวงพ่ อ, อ, อ, อทำไมะอะเอาเป็นใบเป็นเปลืกเปลียก คิดึอกอีกแล้วโอ้เป็นก้อนๆไม่เอานะไม่เอาเป็นใบเป็นฝึกหรือเป็นแท่งนีนเอาอเป็นแท่งอย่างเอ า, าเป็นก้อนไม่เอาเอาย่งางงั้นต่อไปป็นก้อนๆเราไปวัดอื่นก็นแล้วกันวัดตะซุงก็เป็นแผ่นนะอออือาอ่าาสลูกตั้งใจอธิษฐานไว้อย่างนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงยังไงลูกก็ต้องถวายหลวงพ่ออยู่แล้ว ลูกไม่อยากลบโกลหลวงพ่อแล้วแต่ถ้าหลวงพ่อช่วยทำอะไรก็จะดีจะสาอาไม่ลบตัวไงใจงดีนินสัยดีนิสัยดีมันยติดีมากโอ้โไม่ชพลา<บ>ดนที่อะไรนะวันที่สิบสี่พภาเนี่ยสักอเออเป็ยยนยี่ท่าะไรพวนี้เลยพรุ่งนี้เหรอโอ้โมีหวังมีหวังรีบมาให้นะโอ้ั้งจัดสินใจได้ปั๊บรีบมาเลยวันคืนพวกนี้ ผมกลัวจะอย่างงี้ที่หลวงพ่อคนได้เงินนับเงินเอ้ไม่รู้เราเคยสัญญาอะไรกับใครไว้หรือเปล่าคนอย่างเราไม่เคยสัญญากับใครนั่นนะผมกลัวอย่างงี้จังเลยที่ไปหาหลวงพ่อบอกท่านหลวงพ่อจะขายชันบนอะไรไว้บ้างจะขายตาลาเดียวหรือเปล่านี่นะแต่ว่าเจ้านี้เข้มข้นครับไม่แน่อาจจะโชคดีเปียบแทรมาถวายอีกก้อนหนึ่งก็ได้อ่า ไม่ <c oughs> เอาอะก้อนเสริมเลยเสริมเลยก้อนไม่เอาเอาเอาปึกนะไง <c oughs> วัาท่าซุมนี่ละเอียดละ อ, อจริงหลวงพ่อเคารพหรือว่าแฟนของกระผมผิดปกติอยู่เสมอเกี่ยวกับโครคภัยแค่เจ็บผมรู้ผมไม่ถามแต่ที่จะสงสัยไม่ไม่ถามแล้วเสือเกเขียนมาทำไมนะ <c oughs> ให้อย่างนี้ก็มีน ะ, ะมไม่รู้ไม่ถา ม, มไม่สงสัย แต่แต่ที่จะหาลือออกก็หาลือเพอกไมเออมันได้อย่างนี้คือเป็นไงว่าแต่ที่จะหาเรือก็คือว่าอย่างนี้ว่าอ่าดอยก็ปกติคนที่เก็บไข้ใดป่วยหรือว่ามาจากเวช ก, กรรมนั้นนะ่ะสมมุติว่าผมจะทํากุศลสักอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยไม่ว่านะแต่ขอให้ทุนเราเบาวางลงไปถึงไม่หายก็ไม่ว่าจะทํากุศลประเภทไหนขอรับแหมเป็นห่วงแฟน อันนี้ตอบลำบากแฮะไม่มีตำราครัโอตําราไม่มีนะแล้วลุงก็ไม่บอกโอ้ต้องกฎคองกรรลุงก็ไม่บอกไม่เคยเขตอบไม่ได้นะอย่างนี้ก็ใช่ว่าก็ก็ต้องของใครของมันใช่ไหมใช่ไงนะหมายความจริงเรื่องเรื่องเวเรื่องกรรมในต่าหากก็แก้ได้นะผมว่าเก้าพ่อผมอะไรพันขายก็อย่างนี้เก่าพันขายเก่าก็อเก่ายังไม่หายยังมันข้าอยู่ออ ขนาดหลวงพ่อดีแสนดียังไม่หายแล้วก็พวกเราลนะ่ะมีอะไรเนาะแล้วก็เป็นต่อไป <c ười> ครับไปเป็นต่อไปคนอื่นสิคนอืดด่ิดด <c ười> ไม่ใช่หลวงพ่อแล้วแหมหลผมไม่อยากเป็นเลยอันไหนรับไปผมจะรับมาตรงนีงนพูดไปมาเป็นต่อไป <c ười> รอบครอบจริงเรื่องเรื่องเข้าเนื้อเนี่ยรอบครอบเหลือเกินนะอ <c oughs> อ้าวต่อไปข้อ น, นี้อยากจะสร้างพระอ่ากราเท้าหลวงพ่อที่รับอย่างสูงคือว่าคุณแม่เขามีสัจจะอยากจะสร้างาวัดเท่าสูงสักหนึ่งองค์โดยมีก <c oughs> ารโอนเ้า <c oughs> นี่สร้างพระหรือสร้างวัดอ่อสร้างพระสร้างพระสร้างพระจะตกเปตัวถ้าสร้างวัดถ้าสูงก็ไร้ละ ของเกราะหร้ายเลยหรือครับราคาแพงประมาณอ่าคือท่านมีเงาประมาณอยู่หนึ่งหมื่นบาทไม่ทราบว่าพระราคาหมื่นบาทที่วัดท่าสูงจะมีหรือเปล่าหรือควรจะแนะนําอย่างไรก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าจะมีะองค์เล็กเ็กอ๋อองค์เล็กๆล็กนะครับสถาช่างเขาทําได้มนะั้งอ๋อประมาณหมื่นบาทเนี่ยใช่ใช่อ๋อกราบกราบลุงพ่อเจ้าขาลูกนอนกลางคืน ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะไม่ใช่ฝันแล้วก็ไม่เชิงหลับเชิงตื่นมีลักษณะอย่างนี้จะค่ะหนึ่งคล้ายๆก็มีคนมานอนข้างๆสองมีเสียงอาจใจพูดฟาพูดฟาดฟาสามมีการกลนเล็กน้อยลูกมองดูแล้วไม่เห็นมีใครเลยมีความรู้สึกไม่สบายและรลังคารเป็นอย่างมากภาวนาพุโทโธก็ไม่หายแก้อย่างไรก็ไม่ตก จะขอบารมีหลวงพ่อช่วยสอ่องเคราะห์ลูกสักครั้งเถิดเจ้าคาะหลวงพ่ว่าไงเขาจะแก้ไงแเราเพราะ พ, พ, พทํานท่าจะหลับมันก็มาฟืดฟ้าฟืด ฟ, าฟ้ดฟาโกลนฟืดฟ้าแต่ตมองมแล้วไม่มีตัวไม่มีตัวเดี๋ยวก่อนนี่สิยามบาเสียงอยู่ทางไหนนะสามทัดลูก้นเตะเลยโอ้โห้ใช้แบบไหนเนี่ยแบบประจิตการเลยเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อ ไอ้ยังเขาแสดงออกว่าเทวดาที่เป็นญาติเป็นเพื่อนอกันกันคนอื่น<อ>เขาบอกเ่ที่ฉันเคยปรากฏไม่เด็เด็ดครับอเอ๊หลวงพ่อมีเลยเหรอครับเป็นเด็ดมีมีเลือกเรืองเป็นยังไงครับหลวงพ่อครับคือว่าฉันกลัวผีอ้าคือบ้านคนเดียวใช่ไหมใช่ท่านนั่งข้างนอกดินเสียงคนนอนคงในห้องอ่อเข้าไปในห้องคนนอนคนข้างนอกโอ้โหแบบนี้ไปไปมาสามสี่วันที่หาไม่จะพดไว ถ้านอนกนตีกันแน่กลางวันไั้ไม่ยังคืนนะอกลางวันด้วยเหรอครับกลางวันด้วยข้างคืนมีคนหลายคนไม่เป็นไรมึงอยู่กลางวันอพอถึงตอนกลางดึกเสียงโจรก็หยิบไม้ลุกขึ้นมาบอกเสียงอะไรบอกมึงไม่ต้องหยิบไม้ตะเวอยกูเห็นแล้วกูเป็นลุงมึงกูยื่เพศชื่อชืเทศนะชื่อเพศชื่อเพศบอกเพศครับมาอยู่เป็นเพื่อนมีตีลุงซะแล้ว ลูกก็มาดีๆแท้เลยใช่ๆก็ามาเป็นเพื่อเองเคียงร<อ>เราอยกลัวโโเม่เรากลัวใช่ใชลกแรนะบอกว่าอะไรเห็นเห็นแล้วพขาได้ซ้ำบอลหยิบไม้นะงั้นลายนี้ก็ต้องแก้ปัญหา <mm> อ๋อ ไ, ไม่ไม่ต้องแก้นะไม่ต้องหยิบไม้นะครับครับพ่วยๆจ้ากรางเ้าหลวงพอ่อจึงกระลบรอยสูงลูกได้ข่าวว่ามีคน ม, มีมีคนเขาไปบนบานมิชัยบัญชาแล้วก็ได้โชคได้ลาบผมก็เลยอุจริไปเอาลูกมาบูชาบ้างปรากฏได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังต่อไปนี้หนึ่งไฟไหม้ที่บูชาพระองค์ท <c oughs> ี่สี่สองต้องตะเลาะกับเมียเราเอาไปเอารูปมิชัยบัญชามารู้สึกว่ามันมีเหตุวิบัติไวไต่างๆนาน า, น า, นา อาจี่จะเรียนถามก็คือว่ามิตรถัยบัรพากับพระพุทธเจ้าเนี่ไม่ถูกกันหรือไงขอรับไม่ไปโน้ตเลยไม่เกี่ยวกันเลยท่านเป็นเทวดาที่บ้านอ๋อเทวดาที่พระภูมิที่ไหมพระภูมิเจ้าที่เหรอครับไม่ไ่าหมาถึงควรอ๋อนี้เกี่ยวกับการลงโทษแี่ส่วนมากจะพระภูมิเจ้าที่กันนะก็ไม่แน่รอนับอ๋ออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอื มีพระพุทธอยู่ดีๆไม่ไมพอรอบแต่ว่าพอพูดเข้าเห็นพระบุญเรื่อี่เขาโอ้อเวลาดึกเต็มทีแล้วนะตอนนี้ไปก็จะประกาศราย ก, การนี้ก็แจ้งไมาทราบ ป้าญาติโยมที่ทําบุญผ่านคุณยกทรงเป็นหัวเน่าหน้าเลยหน้าหน้าหน้าแหมใครไปเขียนสไลด์คนนี้ยิงดวงไม่ก็จะดีอยู่ดีหมดใจย้ายสมุโน้ัวงใหม่ละเือหนึ่งต่อยุดหลวงพ่อเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค่าปิดทองพระปิจิรพุทธเจ้าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์ สั้นท้ามารากทั้งสี่หนึ่งร้อยสี่บาท2ี่สิบห้าสตางค์ปั้นพระพุทธรูปและปิดทองพิธการที่หนึ่งที่ห้าถึงหกหนึ่งร้อยหสบบาทเจสิบห้าสตางค์สร้างพระพุทธรูปหกสิบองค์หนึ่งร้ยี่บแปดบาทห้าสิบตางค์เทพื้นคอนกรีตหนึ่งร้ยสามิบสองบาทห้าสิบสตางค์ ค่ากองไฟทายาในวิหาร1้อยเมตรหนึ่งร้ยเก้าบาทห้าสิบตางค์ชำะนี่สง2 7สองร้อยเจ็ดเอ็ดบาทสร้างกำแพงแก้ววัดภาสุงหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสร้างวิหารพระภาสุทรงสารทานนาาระธาตุงแปสิบสามบาทห้าสิบตางค์ค่าปูกระเบื้องสระสิบสองไร่เจ็ดพันสามร้อยสี่สบบาทที่สิบห้าสตางค์ รวมแล้วทั้งหมดได้แปดพันเจ็ดร้อเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตาจับ้าไว้นะอ้าวเดี๋ยวได้อีกครั้งไม่ได้เลยติด ใ, ใจกันตอนนี้ก็ของคุณเบสิน ะ, ะเบสี์ประจำเนื่งสร้างพระสร้างฐานพระสามพันหนึ่งร้อยี่บห้าบาท2ี่สิบห้าสตางค์สร้างโรงสีข้าวสองพันสองรอยี่บแปดบาท2ี่สิบห้าสตางค์ ปิดทองวระพุรูปเก่าสองพันหกร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบป์าสร้างวิหารคตรเจ้าิฎานพัศมีสองสงพันแร้หกิบสี่บาทห้าสิบเป์าสร้างกำแพงวิหารร้อยเมตรสองพันหกร้อย้าสิบสองบาทเ5สิบห้าเรตางเจิห้า์ตา แล้วก <N iss an> <N ic> ็ซื้อทีวีสีห6สกนิ้วสองพันสามร้อยหกิบหกบาท75สิบห้าตางค์สร้างพระจมรัตดีสองเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสบองบาทเจ็ดสิห้าสตางค์สร้างพระประคานหน้าตากแปดซอกสี่พันสองร้อยเจ็ดิบเจ็ดบาทสังฆทารหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสบสองบาทเจ็ดสิห้าตางค์สร้างพิหาร้อยเมร แ, 3, งงและที่เก็บสพหงพอสเดร้สี่สบเจ็บาทห้าสิบปทงสร้างคมไฟริยาบูชาพระต้นไทร3ันสหบ้าบาทห้าสิบประทต่อรถทัวธรรมาทานามพันห้าท้งบาทรงต่างเรียนยยกจนน้ำกน้ำาท่วมนห้า้ยแดบาทยี่สิบห้าสตางค์ดอกไม้บวงสวงสองพ้าบาท เจาสนักกรรมฐ า, า, านานลานสามพันหนึ่งร้อย้าบหกาทห้าสิบประติดแอเครื่องย้เสียงนหาร้อยเมตรสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าสี่สี่บาทห้าสิบตาสร้างเครื่องปั่นไฟฟ้าดิซิลนักชื่อน้มันสามพันหนึ่งร้อยหกสิสี่บาทห้าสิบประตแ่งถ่านเยยนมโวโอ้โหวันนี้ กระบทเนนบทชีกรามบดสิบสี่พันห้าร้ยปดสิบาทเจดสิบห้าสตางค์เอเธพึ่งคองตินวิหาร้อยเลดสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดเอ็ดบาทเจ็ดสิห้าตางค์คอนโดต้นปูปานสามพันสองร้อปดิบบาทห้าสิบสตางค์ มันหลบะ่เบจพระเจ้าสองพันเก้าร้ยเจ็ดสิบาทดจุห้าสตางค์เงอเรหนึ่งห่หนึ่งร้อยจุดเกบาทเงนขยายเสียงในสลาจิตสองไร่หกพันเก้าร้อยยี่สบี่บาทห้าสิบตางค์ปูกระเบื้องในสลา1ิสองไร่หนึ่งมืนหพันห้าร้อยหนึ่งมืห้อยหาสบองบาทเ5ดิบห้บบ า, า, าสตางค์ สงินสาย ญ, ญาติหลวงพ่อสองหมื่นเก้าพ 29, ันยี่สสองบาทอีกค้าจางรวมวารายฎรคุเสรยได้หนึ่งแสนสี่หมืน อ, อ, อมนหนึ่งร้อยห้าจ็บบาทห้าสิบสตางค์เนม่กี่เมียเรืองตงเออมีห้าศูนย์หนึ่งเครื่องต่างแค่เครื่องต่งอ๋อเห็น ไ, ได้ข่าวว้าไปแล้วว่าสุขภาพไม่ค่อย